ปฏติยานานิเทศซึ่งเป็นไปพร้อมทั้งอัตถกามหากรรณาสมาตปิปาติยานของพระตถาคตเป็นไฉนพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งหลายผู้ตัดสู้แล้วทรงพิจารณาเห็นอยู่ด้วยอาการเป็นอันมากจึงทรงแผ่พระกรุณาไปในหมู่สัตว์ทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งหลายผู้ตัดสู้แล้วทรงพิจารณาเห็นอยู่ว่า สัตว์โลกโลกสันนิวาตอันไฟติดโชนแล้วจึงทรงแผ่พระกรุณาไปในหมู่สัตว์ทั้งหลายเบนจะขันชื่อว่าโลกเพราะอัตว่าสลายไปชื่อว่าสันนิวาตเพราะเป็นที่อาศัยของสัตว์ทั้งหลายด้วยอำนาจตันหาและทิฏฐิที่อาศัยคือโลกชื่อว่าโลกสันนิวาตหมู่สัตว์ก็ชื่อว่าโลกสันนิวาต เพราะเป็นที่อาศัยของสัตว์โลกและที่ชื่อว่าสัตว์เพราะอาศัยขันธสันดานอันเป็นทุกข์ความหมายของโลกอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นที่ดูบุญและบาปและผลของบุญของบาปด้วยความที่โลกสันนิวาสอันไฟติดโชนแล้วเป็นสภาพที่เร่าร้อนเพราะถูกเผารนอยู่ด้วยไฟคือราคะโทสะโมหะมาณนะทิฏฐิ อากุศลทั้งปวงทุจริตทั้งปวงเป็นภาพที่เล่าร้อนก็าถูกเบียดเบียนบีบคั้นอยู่ด้วยทุกขลักษณะโลกสันญิวาทยกผลขึ้นแล้วการงานต่างๆต้องเสวยทุกมีประมาณไม่ใช่น้อยเพื่อแสวงหาอาหารเพื่อดินรนด้วยความทยานอยากคืออยู่ไม่เป็นสุขด้วยอาการของการยกผลขึ้นนั้นโลกสันญิวาทเคลื่อนผลไปแล้วเคลื่อนไปไหน ก็ไปสู่ความแก่ไปสู่ความเจ็บและไปสู่ความตายดุดแม่น้ำไหลลงจากภูเขาโลกสันนิวาตเดินทางผิดแล้วกุมมัคโคปฏิปันโนสัมมามักเป็นสภาพที่ตรงกันข้ามกับมิจฉามักุ่มมัคโคเป็นมักคะปฏิปทาที่เป็นหนทางผิดเป็นมิจฉาปฏิปทาส่วนสัมมาปฏิปทาเป็นสัมมา เป็นข้อปฏิบัติที่ถูกต้องตรงกันข้ามเพราะฉะนั้นสัตว์โลกทั้งหลายก็เดินทางผิดพลาดอย่างเลวร้ายก็คือเดินวนเข้าไปในวัตตะสวนทางกับสัมมามัตถอ่าซึ่งเป็นสัมมาปิปะทาโลกอัญชารานำเข้าไปไม่ได้ยั่งยืนอุปนิยติโลโกอัทถุโวอัชารานำเข้าไปหามรณะมรณะก็นำเข้าไป สู่การตัดซึ่งชีวิตชารานี่เป็นทุกขลักษณะส่วนมรณะนั้นเป็นอนิจจลักษณะเพราะฉะนั้นก็ควรจะต้องกำหนดรู้ทั้งทุกขลักษณะและก็ทั้งอนิจจลักษณะก็แสดงสภาพของชาราทุกพร้อมทั้งเหตุเหตุของชาราก็คือชาติแล้วก็ถ้ารู้ว่าชารานำเข้าไปไม่ยั่งยืนอย่างนี้ก็ควร ในการที่แม้ยังไม่ถึงชราก็น้อมเข้าไปบวชเข้าไปบรรดาชาบวชสมบทได้แล้วโลกไม่มีที่ต้านทานไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนอัตาโนโลโกอาณพิสโรทุกที่เกิดจากความพัราดจากความรักพร้อมด้วยเหตุวิญโยชนเห็นทุกนี้แล้วแม้ยังไม่เสื่อมจากญาติก็ออกบวชไม่มีใครสามารถที่จะต้านทานจากการ พัดพลาจากของรักอของทั้งปวงอันเป็นที่รักที่ชอบใจได้ไม่มีใครเป็นใหญ่มีอำนาจจะไปกระเกลียนให้ดำรงอยู่ด้วยกันตลอดเพราะฉะนั้นก็เห็นภายในทุกอย่างนี้แล้วก็ออกบวชเสถ่ิโลกไม่มีอะไรเป็นของตนจำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงอัสโกโลโกสับบางปหายะคามนิยติมรณะทุกพร้อมทั้งเหตุก็เป็นไปไม่มีใครเป็น เจ้าของของแม้กระทั่งร่างกายและจิตใจของตนเองทุกสิ่งทุกอย่างก็จะต้องละทิ้งไปญาติพวกพ้องพี่น้องเพราะฉะนั้นก็รู้มรณะทุกอย่างนี้แล้วก็ควรรีบร่งในการขวนขวายประพฤติธรมจรรย์หรือว่าออกปวดเทเถอะโลกพร่องอยู่เป็นนิดในรู้จักอิ่เป็นาธาตแห่งตันหาอูโนโลโกอติตโตตันหาทาโศอันนี้ก็เป็นพยาธิพร้อมทั้งเหตุ ความเจ็บไข้ต่างๆก็ทําให้ดิ้นรนทยานอยากต้องการแสวงหาอยู่โดยที่ไม่มีความอิ่มไม่มีความบกอไม่มีความที่จะเต็มสักทีผมเท่าไร่ก็ไม่เต็มโดยเฉพาะความหิวความหิวของร่างกายก็ตามความกระหายของจิตใจก็ตามผมเท่าไหรก็ไม่เต็มเพราะฉะนั้นก็ควรรีบเร่งในการที่จะท่าเพียนประพฤติมักคะปรมจันทร์ โลกสันนิวาตไม่มีที่ต้านทานอตานโนโลกะสันนิวาโสไม่มีการป้องกันไม่ปลอดภัยหาเครื่องป้องกันมิได้ อ, อเลนะอตานะอสรนะณะเพราะว่าไม่ใช่ที่พึ่งไม่ใช่ที่หลีกเล้นได้จริงๆโลกสันนิวาตไม่มีที่เล้นอเลโนไม่มีที่ลับพอจะหลบซ่อนจากความแก่ความเจ็บแล้วก็ความตายได้จะหลีกเล้นไปอยู่ถ้ำไหนซอกไหนภูเขาไหน ที่จะพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายได้ไม่มีเลยโลกสันนิวาดไม่มีที่พึ่งอาสาระโนพึ่งไม่ได้ไม่นภาภัยของผู้อาศัยออกไปไม่พ้นภยัยมนีแต่ความเป็นภัยเท่านั้นการผ่านชื่อว่าเขมเขมะเขโมเข ม, ม, เข ม, มังเป็นภาพที่ปลอดภัยเป็นแดนกเกษมเพราะฉะนั้นก็ตรงกันข้ามกับขันห้านะ ขันห้าเป็นภาพที่เป็นภัยพยาโตระศนิวาสไม่เป็นที่พึ่งของใครอ่ะเซร์มีภูโตแม้ตนก็เป็นที่พึ่งของตอนไม่ได้จะให้ใครพึ่งได้เล่าขันห้านั่นเป็นที่พึ่งของใครได้ในเมื่อขันห้าต้องแก่ต้องเจ็บแล้วก็ต้องตายผุพังสลายไปเป็นที่พึ่งของใครไม่ได้ใครยึดขันห้าไว้ก็เท่ากับว่ายึดขอนไม้ผุผุที่กำลังลอยอยู่ในมหาสมุทรถ้าไม่รีบว่ายเข้าหาฝั่งก็มีอันจะต้อง จมลงสู่ห้วงของมหาสมุทรจมลงสู่ห้วงของอบายจมลงสู่ห้วงของวัตตะอย่างแน่นอนโลคสันนิวาฟสฟุ้งซ่านไม่สงบอุทธโตโลโกอาวุปะสันโตก็ฟุ้งด้วยอกุศลนานาปการไม่สงบเหมือนกับมรึกที่หมุนคว้างไปข้างนู้นข้างนี้เพราะตื่นไยัยถ้าใครตื่นไัยได้อย่างมรึกแล้วก็หาทางออกจากภัยนั้นได้ก็ดีนะ ตื่นภัยจากความแก่จากความเจ็บจากความตายโรคสันนิวาตมีลูกศรถูกลูกศรเป็นจานวนมากเสียแทงแล้ว ส, สัสนโลโลกะสันนิวาโสวิทโธปุถุสันเลหิชื่อว่าลูกศรเพราะว่าเจาะเข้าไปในภายในและนำออกได้ยากเว้นคีมคืออริยมสรสแล้วก็ไม่มีทางเลยในการที่จะเอาเจ้าลูกศร น, นี้ออกได้ เครื่องมืออะไรอะไรก็ถอนออกไม่ได้มูสัตแทงตนเองด้วยลูกศรเจ็ดเจ็ดดอกะลูกศรเจ็ดอกนั้นถูกแทงอยู่ตลอดเวลาก็คือราคะโทสะโมหะมานะทิฐิกิเลสและพิจิตรทั้งหลายเพราะฉะนั้นก็พยายามแทงตัวเองให้น้อยลงแล้วก็พยายามหาเครื่องมือก็คืออริยมัตมีองแปดมาช่วยถอนลูกศรเหล่านี้จะได้หมดทุกข์หมดภัย รอกสันนิวา่ามีความมืดตื้อคืออวิชชาปิดกั้นไว้ถูกใส่เข้าไปในยังกรงกิเลสลุดความมืดนะอวิชชานี่เป็นความมืดที่มืดยิ่งกว่าความมืดมีองคสีซะอีกปิดบงังความจริงไม่เห็นไม่ให้เห็นสภาวะธรรมแล้วก็ห้ามการย่างลงสู่สภาวะธรรมด้วยไม่ให้เข้าสู่อริยมรรคแล้วก็ยังถูกใส่เข้าไปในกรงขังเป็นกรงขังที่ปิด บังไม่ให้เข้าถึงกุศลก็ทำให้ไม่เจริญด้วยกุศลใครอื่นนอกจากเราซึ่งจะแสดงธรรมเป็นแสงสว่างแก่สัตว์โลกหรือว่าแก่โลกสันดิวานั้นเป็นไม่มีโลกสันดิวา่าตกอยู่ในอำนาจอาวิชาอาวิชาคโตเป็นผู้มืดอันทะผูโตอันอวิชาหุ้มห่อไว้ปริโยนัทโธยุ่งดังเส้นไดตันตากุลชาโต พันกันเป็นกลุ่มก้อนคุราคุณติกะชาโตนุงนางดังหญ้าปล้องและหญ้ามงกระตายมุนชะปัพพะชะภูโตไม่ล่วงพ้นสงสารคืออบายทุกติและวินิบาตไปได้อปายยะทุกติวินิปาตสังสารนาติวัตตติอวิชานี้เป็นสภาพที่ มีอำนาจในการที่จะกางกัน้นนะไม่ใช่ปิดกั้นอย่างเดียวที่แท้ก็เข้าไปในฝักของอวิชาดุดไปในที่รกนะเป็นผู้ที่มืดนะเพราะว่าเกิดในกระปาะของอวิชาเลยกระปาะฟองของอวิชาพานันก็มองไม่เห็นแสงสว่างในภายนอกอวิชานั้นหุ้มห่อไว้เพราะว่าถูกอวิชาหุ้มห่อผูกพันไว้ด้วยฟองและฝักหุ้มห่อด้วย อวิชาโดยรอบเลยทีเดียวแล้วก็ทำให้ยุ่งนุ่งนังนะเหมือนกับเส้นได้เส้นได้ที่เก็บไว้ไม่ดีถูกหนูกัดนะย่อมยุ่งเหยิงตีราคาไม่ได้สัตว์ผู้พลังพลาดยุ่งยากในปัจจัยาการก็ไม่สามารถในการที่จะจะทำปัจจัยาการให้ตรงได้เว้นพระโพธิสัตว์เสียใครๆก็ไม่สามารถที่จะทำปัจจัยาการก็คือ ความเป็นไปของอวิชชาจนทั่งถึงทําให้มีการเวียนว่ายใจเกิดอดีตอนาคตปัจจุบันวัตฏะสารที่มันยุ่งเหยิงอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายได้ฟังเรื่องของปฏิจจุบันแล้วก็พยายามที่จะสะสารชีวิตให้ตรงให้เป็นเส้นใต้ที่ตรงจะได้ไม่ยุ่งเหยิงไม่ยุ่งยากเพราะฉะนั้นก็เมื่อยุ่งเหยิงพันกันเป็นกลุ่มก้อนนะเส้นใต้ที่ช่างหูกเนี่ยนําไปคลุกน้ําข้าวแล้วก็ขยําก็จะติดเนื่องกัน และพันกันเป็นปมฉันใดโลกนี้ก็ฉันนั้นครั้นพลาดในปัจจิการแล้วก็ไม่อาจที่จะทําปัจจิการให้ตรงได้ย่อมเกิดพันกันเป็นปมด้วยทิฏฐิหกสิบสองนะถ้าไม่เข้าใจปฏิจจุบารณนี่แล้วก็นุงนางดังหญ้าปล้องแล้วก็หญ้ามุงกระต่ายด้วยหญ้าปล้องหญ้ามุงกระต่ายดีเขาก็จะทุบหญ้าปล้องแล้วก็หญ้ามุงกระต่ายนั้นเพื่อจะเอาไปทําเป็นเชือกนะการทุบแหลกไปย่อม ยากที่จะตีราคาให้สงค่านอกจากช่างผู้อยู่ในความชํานาญย่อมทำย่านั้นให้มีความเหมาะสมคือให้ตรงแล้วก็ไม่ให้พันกันได้คนที่ไม่มีความชํานาญทุกไปทุกมาก็แหลกละเอียดหรือว่าทุกไปทุกมามันก็พันกันยุ่งเหยิยเหมือนกันนะนั่นก็ทําให้ไม่สามารถที่จะล่วงผลสงสารอบายทุกติวินิบาตไปได้ที่ชื่อว่าอบายเพราะว่าไม่มีความเจริญคือไม่มีความรู้ไม่มีกุศลที่จะทําให้เจริญด้วย วิบาศนต่างๆด้วยชื่อว่าทุกคติเพราะว่าเป็นทางไปของทุกข์ชื่อว่าวินิบาศเพราะว่าตกไปจากความสุขสุขตกไปจากกายด้วยก็มีค า, าถาว่าคันท an an านัญจะปฏิปาติทาตุอายตนานัญจะอโพุชินนางวัตตมานังสังสารูปรวุจจติลำดับแห่งขันธาตุอายตนะ ยังเป็นไปไม่ขาดสายอยู่ตราดใดท่านก็เรียกว่าสงสารดังนี้ก็คือต้องถือเอาปฏิสนธิแล้วก็จุติบ่อยๆนั่นเองโลกสันนิวาถูกอวิชชาอันมีโทษเป็นพิษแทงติดอยู่แล้วมีกิเลสเป็นโทษอวิชชาวิสะโดสสันลิตโตโลกะสันนิวาโส เพราะว่าทำชีวิตที่เป็นกุศลให้พินาฏไปด้วยความเกิดขึ้นแห่งอกุศลนั้นอวิชานี้มีโทษนะเพราะว่าทำชีวิตนี้ให้ตกไปจากกุศลให้พินาชจากกุศลไปแล้วก็เป็นพิษแทงติดอยู่ด้วยนะเพราะว่าพิษเป็นพิษเพราะว่าปทุสรายสันดานที่เป็นไปในกุศลแล้วก็เพราะถูกเสียบแทงติดทาไว้ด้วยอนุสัยกิเลสปรยุทธานกิเลสแล้วก็ ทุจริตอย่างร้ายแรงด้วยกิเลสกัลลังกิเลสกัลลังเพราะว่ากิเลสมีอวิชชาเป็นต้นเป็นมูลเป็นกลละละคือเปลือกตมเพราะว่าพราะอัฏวาทําให้จมลงมันก็กิเลสนั้นเป็นโทษนะก็จากอาวิชชานั่นแหละเป็นปัจจัยโลกสันิวาสรกชัดด้วยราคะโทสะและโมหะ ราคะโดสโมหะชะตาชติโตคือโลภะปฏิฆะและอวิชชาชื่อวัชตาเพราะอัจว่าเกิดบ่อยๆทั้งเบื้องบนเบื้องล่างภายในภายนอกดุกดุดรบชัดแห่งกิ่งพุ่มไผ่เป็นต้นโดยสภาพเกี่ยวพันกันนะอย่างที่ชตาสูตรในสังยุตติกาจงแสดงนะว่าสัตว์ทั้งหลายรบทั้งภายในรบทั้งภายนอกนะใครจะทาให หมรักชัดหรือว่าจะช่วยสางรักชัดนี้ได้นะพุทธเจ้าก็แสดงว่าใครอื่นนอกจากเราผู้จะช่วยสางรักชัดผู้จะช่วยสางรักชัดให้แก่สัตว์โลกหรือว่าโลกสันนิวาตนั้นเป็นไม่มีแล้วนกะ็แสดงว่า น, นราชนาผู้ที่ฉลาดมีปัญญา น, นรชนผู้มีปัญญาตั้งมั่นในศีลแล้ว อ, อบรมจิตและปัญญามีความเพียรตาปียรนิปนโกภิกข u มีปัญญาเครื่องรักษาตนผู้นั้นและัวภิกษุนั้นแลจะสางรกชัดได้ก็คืออบรมอธิสีณาทีจิตอธิปัญญานั่นเองโยกสันญิวาสถูกกองตันหาสวมไว้ตันหาสังคาตะปฏิมุกโกชื่อว่ากองตันหาเพราะว่าตันหายังไม่ขาดสายยังเป็นไปอยู่ชื่อว่ากองเพราะว่ายังสืบต่ออยู่เพราะฉะนั้นก็ ถูกสวมเข้าไปในภายในในกองแห่งตัญหานั้นนะก็เลยออกไม่ได้นะถูกสวมเหมือนกับสวมเข่าไว้อย่างหนานแน่นโลคสันติวา่าถูกไายตันหาครอบไว้ตันหาชาเลนะโอทัตโตถูกไข่ร้อยรัดครอบแล้วก็ปิดพันไว้โดยรอบนะก็เลยไม่สามารถที่จะพ้นจากไายเวลาพันแล้วมันก็ยุ่งด้วยนะทําให้ออกไปยาก โลกสันนิว่าถูกกระแสตันหาพัดไปก็คือคล้าไปเป็นกระแสโดยคล้าไปในสงสารทําให้เวียนตายเวียนเกิดไม่มีที่สิ้นสุดโลกสันนิว่าถูกตันหาเป็นเครื่องคล้องคล้องไว้ตันหาสัญโยเชนีนะสัญยุตโตคือผูกมัดรัดร้อยไว้ในวัฏฏะ กิเลสก็เป็นปัจจัยแก่กรรมกรรมก็เป็นปัจจัยกับวิบากเพราะฉะนั้นก็ร้อยไว้คล้องไว้ผูกไว้พันไว้ไม่ให้พ้นจากวัตตะไปได้โลกสันนิวาสสร้างไปเพราะตัณหานุสัยตัณหานุษเยนะอนุสโตก็หมุนไปตามไปไปอย่างแรงด้วยอํานาจของตัณหานุสัยนั้นโดยนอนเนื่องในสันดานเพราะว่าเกิดบ่อยๆแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะละได้ด้วยอาริยมรรค นะเหมือนกับเหมือนกับนอนเนื่องอยู่ในจิตนะแต่ว่าได้ปัจจัยเมื่อไหร่ก็จะเกิดขึ้นนะชื่อว่านุสัยโรคสันนิวาเดือดร้อนด้วยความเดือดร้อนเพราะตันหาตันหาสันตาเปนะสันตปติก็ยังโลคให้เดือดร้อนในขณะเกิดขึ้นและในขณะให้ผลตันหาให้ผลเป็นสุขหรือว่าเป็นทุกข์ก็ไม่มีหรอก น, นะที่ตันหาจะให้ผลเป็นสุขเมื่อไหร่ที่เกิด สุขภวปากเกิดขึ้นให้รู้ว่าขณะนั้นเป็นผลของกุศลแต่ว่าตัณหานั้นเป็นไปกับสมนัสเวทนาได้ก็เกิดความสุขเป็นสุขใจแต่ว่าสุขคราวนี้เจือด้วยพิษนะเพราะว่าจะทำให้เกิดความเดือดร้อนในภายหลังโลกสันนิวาเร่าร้อนด้วยความเร่าร้อนเพราะตัณหาตัณหาปริราเหนะปริทัยหติ ก็ตันหายิ่งมีกำลังก็ยิ่งเร่าร้อนมากรูอความเร่าร้อนในขณะเกิดขึ้นและในขณะให้ผลโดยรอบยิ่งมีความสุขมากเท่าไรก็ยิ่งมีความยึดถือมีความทะยานอยากมากเท่านั้นความทยานอยากเหล่านั้นแปรปรวนไม่เที่ยงเจ้าตันหาที่ทำให้เกิดความสุขในขณะนั้นเป็นไปกระสมนัทขณะนั้นเมื่อมันไม่เที่ยงดับไปก็เกิดความดิ้นรนความหวงแหนความยึดถือความเร่าร้อนความทุกข์ตามมาเท่านั้นเอง โลกสันนิวาสถูกกองทิฐิสวมไว้ทิฐิสังคาตะปฏิมุกโกเพราะว่าทิฐิยังไม่ขาดสายยังเป็นไปอยูอ่ยังสืบเนื่องไปอยู่ก็ถูกสวมอยู่ตราบนั้นนั่นเองโลกสันนิวาสถูกขายทิฐิครอบไว้ทิฐิชาเลนะโอทัตโตก็ถูกขายคือทิฐิร้อยรัดแล้วก็ปิดพันไว้โดยรอบเหมือนกับตันหานะตันหากับทิฐินี้เข้ามาด้วยกันเวลาเกิดก็เกิดด้วยกันแต่ว่าตันหาเกิดโดยที่ไม่มีทิฐิก็ได้ เป็นทิฏฐิกตะวิปยุตแต่เดิตปกติแล้วสัตว์โลกส่วนใหญ่ก็เป็นไปกับทิฏฐิด้วยตัณหาด้วยแล้วก็มานะก็เข้ามาสลับบ้างตัณหามานะทิฏฐินี้จึงชื่อว่าเป็นปะปัญจธรรมท ำ, ทำให้ทาให้เนิ่นช้านะโลกสัมยิว่าถูกกระแสทิฏฐิพัดไปทิฏฐิโสเตนะวุยหติ คือคฆ่าไปตูวอบายทุกขติวิธิบาสนรกแล้วก็สงสารอย่างไม่มีที่สุดเลยพัดไปตลอดโลกสรนิวาตูกทิติเป็นเครื่องคล้องคล้องไว้ทิติสัญโยชนีณนะสัญยุตโตทิฏฐิเป็นสัญโยชนคล้องสัตว์ผูกมัดร้อยรัดไว้ในวัตตะสัญโยชนเจประการก็มีสัญโยชนสิบประการก็มีนะทั้งโดยในพระสุตตันตะทั้งโดยในของพระอภิธรรมสกายาทิฏฐิวิจิกิจฉา สีละพระพระตัปทามาแล้วก็รูปราคาะรูปราคะมานะทิฏฐิอวิชามัชยะอะไรต่างๆเหล่านี้ก็มีหลักในทั้งหมดก็เป็นเครื่องผูกเครื่องลอยรัดไว้ทั้งนั้นโลกสันวิวาสร์ไปเพราะทิฏฐานุสยัยทิฏฐินุสเยนะอนุสโตก็นอนเนื่องในสันดานเพราะอัดว่ายัางละไม่ได้แล้วก็เป็นกิเลสที่มีกําลังยังละไม่ได้ด้วยอริยมรรนะ เหมือนกับนอนเรื่องแต่ว่าได้ปัจจัยก็จะเกิดขึ้นเหมือนกันอนุสัยเจ็ดก็ได้แก่อะไรบ้างการมราคานุสัยปฏิคานุสสายอมานานุสสายแล้วก็ภาวะราคานุสสายวิจิตกิชานุสัยชิตฐานุสสายอวิชานุสสายพวกนี้นะอนุสัยเจ็ดประการองค์ธรรมก็หกเพราะว่าเพราะว่าราคานุสัยกับการมราคานุสสายก็เป็นโลภะเจ็ดสิบเหมือนกัน โลกสันนิว่าเดือดร้อนด้วยความเดือดร้อนพราะทิฏฐิทิฐิสันตาเปนะสันตปติก็ยังสัตว์ให้เดือดร้อนในขณะที่เกิดแล้วก็ขณะที่ให้ผลด้วยขณะที่ทิฏฐิเกิดขึ้นขณะนั้นก็เดือดร้อนอาจจะมองไม่เห็นนะแต่ว่าไม่เกิดกุศล น, นะกุศลไม่เกิดอกุศลเกิดขณะนั้นเนี่ยนะมันระลึกได้ขึ้นมาเมื่อไหร่ก็จะเดือดร้อนเมื่อนั้น แ, แม้ว่าขณะนั้นอาจจะมีความพอใจในการที่จะ มีทิฐิความเห็นผิดก็ตามและเวลาให้ผลก็ให้ผลเป็นทุกข์เดือดร้อนด้วยโลกสันนิวาเร่าร้อนด้วยความเร่าร้อนเพราะทิฐิทิฐิปริราเหนะปริทัยหติเพราะทิฐิมีกําลังก็ยิ่งเร่าร้อนมากด้วยความเร่าร้อนในขณะเกิดขึ้นแล้วก็ขณะในการที่ให้ผลโดยรอบด้วยทิฐินี้เป็นพยะอ่าเป็นพยัาสนะนะ เป็นสิ่งที่ทําให้พินาศพยาสนากระเือความเสียหายความเดือดร้อนความอาเหตุที่ทําให้เกิดทุกข์มีห้าประการนะก็คือทิศพยศัสนาะลาบราพยัสนาความเสื่อมราบญนะาติพยัสนาความเสื่อมยะจากญาตโรคพยัสนาความเสื่อมจากโรค อ่าแล้วก็สีและพยาชนะความเสื่อมด้วยศีล์แล้วก็ทิฏฐิพยาชนะความเสื่อมด้วยทิฏฐิความเสื่อมจากสมบทิฏฐิเนี่ยนะนั้นสามอย่างแรกนี้เป็นอภิยกตะนะไม่ใช่กุศลไม่ใช่อากุศลนะเสื่อมลาบเสื่อมญาตเสื่อมโรคเนี่ยนะเป็นอภิยกตะแต่ว่าสีละพยาชนะกับทิฏฐิพยาชนะนี้เป็นการเสื่อมที่เป็นอกุศลก็คือเสื่อมจากอกุศลมีโทษร้ายแรงมากกว่าความเสื่อมสามอย่างแรกนะ โลกสันนิวาสไปตามชาติชาติยาอนุกโตก็คือเข้าไปสู่ปฏิสนธิเหมือนถูกพาไปเที่ยวชมในป่าก็มีสหายสามคนนะอ่าหลอกลวงจะพาบุรุษคนหนึ่งไปฆ่าทิ้งก็เลยคนหนึ่งบอกเดี๋ยวฉันจะชวนเข้าป่าเองก็รับปากนั้นเจ้าชาติเนี่ยชวนพวกเราแล้วให้มาเที่ยวในป่านะโลกสันนิวาตสมสารไปเพราะชราชรายะอนุสัตโตไอ้เจ้าอีกคนหนึ่ง ก็เสนอบอกว่าเดี๋ยวท่านจะซ้อมให้สะบัดสะบอมซ้อมก็ให้แย่ไปลําบากให้มันทุกข์ยากลําบากเลยเพราะฉะนั้นก็แล่นไปสู่ความเสื่อมอันเป็นทุกข์เหมือนถูกโบยตีทําให้อ่อนกําลังลงชรานี้ตอนนี้ก็กําลังโบยกําลังตีกําลังทำให้เราได้ทุกข์ยากลําบากให้กระหายให้หิวให้เดือดร้อนให้เจ็บปวดทุกข์ยากตอนนี้ชราก็เล่นงานเราอยู่นะก็ระวังตัวให้ดี โลกสันนิวาสถูกพญาธีครอบนามพยาธีหิอภิภูโตก็ถูกบีบคั้นด้วยความแปรรูณนะเมื่อมีชราแล้วพญาธิก็เข้าครอบนำช่วยเหลือชรานะอันนี้ก็เป็นพวกเดียวกันโลกสันนิวาสก็ถูกมรณะห้ามหันมรเนนะอภิหโตถูกกําจัดถูกทําลายด้วยพังคะเหมือนถูกดาบปัดศีษะไอ้เจ้า อาศัตรูคนสุดท้ายก็คือบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวแกซ้อมให้สะบัดะบอมแล้วให้ได้รับความทุกข์ยากลาบากแล้วเดี๋ยวฉันจะตัดคอมนันเองเพราะฉะนั้นเราเองนี่ตอนนี้กําลังถูกซ้อมอยู่ทําทให้เดือดร้อนทําให้อ่อนกําลังลงแล้วไม่ช้าเราก็จะต้องถูกตัดศรีรษะด้วยดาบแต่ละคนก็ไม่ควรจะประมาทนะจะถูกตัดศรีรษะเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันโลกสัญญาณตกอยู่ในกองทุกข์ ทุกข ะ, ะติโตก็ตั้งอยู่อาศัยขันห้าอันเป็นทุกข์ด้วยเข้าใจว่าเป็นสุขนะตอนนี้เราอยู่ในกองทุกข์นะเราเข้าใจว่าเจ้าขันห้านี้เป็นเรวเป็นของเราแล้วก็ทําให้เกิดความสุขแต่ความจริงแล้วมันทําให้เกิดทุกข์อยู่ตลอดเวลาเลยโดยที่เราไม่ได้น้อมไปโดยเฉพาะอ e ิเรยาบทเนี่ยดูเหมือนกับว่ามันปิดบังทุกข์ถ้าจะเพิกอิเรยาบทจริงๆต้องรู้ว่าไม่มีอ e ิเรยาบทก็คือสภาพธรรมะ ที่แปรปลวนั่นแหละมันไม่ตั้งอยู่ไม่ดำรงอยู่ทั้งนามธรรมทั้งรูปธรรมการแปรปลวนการไม่ดำรงอยู่ไม่คงอยู่การที่ตั้งอยู่ไม่ได้นานอันที่ทนไม่ได้อาการเหล่านั้นแหละนั่นแหละคือทุกนะการที่เห็นทุกขลักษณะไม่ใช่ไปดูอิริยบทแต่ว่าต้องเพิ่งอิริยบทโลกสันยวา่าถูกตัณหาซัดไปถูกมัดไว้ด้วยนะตัณหายะอุดรโต ถูกตัณหานั้นบุกรุกจักคูถูกร้อยไว้ด้วยเชือกคือตัณหาแล้วก็มัดไว้ที่หลักก็คือรูปหูเป็นต้นก็ถูกร้อยรัดไว้ด้วยเชือกก็คือสัญโญาณทั้งหลายแล้วก็มัดไว้ที่หลักก็คือเสียงเป็นต้นเพราะฉะนั้นตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรานี่นะเป็นสิ่งที่ถูกร้อยรัดถูกเชือกก็คือตัณหาเนี่ยมันผูกเอาไว้ที่หลักอายตนะนาภายในกับอยายตนะภายนอก ถูกผูกเอาไว้ก็เลยทําให้ไปไหนไม่ได้จะต้องอยู่กับหลักเหล่านี้แหละก็คือหลักอเยตนะภายในหลักอเยตนะภายนอกถูกโยงใยอยู่ที่หลักเหล่านี้ก็พ้นแต่ไม่ได้อเยตนะสิบสองก็คือขันห้านั่นเองเพราะฉะนั้นก็พยายามในการที่จะหลุดพ้นจากหลักเหล่านี้โดยการตัดเชือกคือตัณหานั้นเสียจะได้เป็นอิสระโรคสันิวาถูกกาแพงคือชราแวดกลมไว้ชราปาตาระปริกขิโต มีใครสามารถจะพ้นจากกำแพงก็คือชะดาได้บ้างมันไม่สามารถที่จะพ้นได้เลยนะทุกคนต้องแกแ่แม้ว่าเทวดาไม่ปรากฏความแก่แต่ว่าก็จะต้องแก่แน่นอนเพราะว่าโดยปรมัตน์แล้วก็แก่ทุกขณะแต่ว่าบุญอำนาจของบุญกุศลที่มีกำลังรักษาไว้ก็ดูเหมือนกับว่าไม่แก่นะก็จะทําให้เขาหลงแล้วเข้าใจผิดในตัวเองว่าเที่ยงแต่ความจริงก็พอใกล้จะจุติความแก่ก็จะปรากฏชัดเจน แต่ว่าเลยปกติแล้วถีติขณะของจิตเจตสิกของรูปนั่นแหละชื่อว่าชราแล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่มีใครสามารถจะพ้นจากกำแพงอันเป็นชรานี้ไปได้เป็นกำแพงที่กว้างใหญ่ตูงนอกจากอริยามารรคเนองคแปเป็นเครื่องทํลายกำแพงเหล่านี้ก็ไม่มีสิ่งอื่นจะมาข้ามพ้นไปได้นะโลกสันิวาสถูกบวงมัดจุคล้องไว้มัดจุปาเสนปฏิคิโต มรณะเป็นบ่วงที่แก้ได้ยากไม่มีใครที่จะพ้นจากมรณะพ้นจากบ่วงนี้ไปได้นะนอกจากจะใช้มีดอันคมก็คืออริยมรรคตัดบ่วงนี้สามารถที่จะพ้นไปได้ชื่อของความตายนั้นก็มากมายเลยนะว่าควรจะรู้จักไว้เรานี่ใช้ชื่อไหนก็ตายหมดเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นมรณะจุติการและกิริยาสวรคตชีพิตรไสมรณะภาพอายุไขมัจจุมรตุนุปปติกรรมัคคยะ ชีวิตตุปปดเฉดจะเป็นพระราชาก็สิ่นพระชนพระพุทธเจ้าหรือว่าพระทาก็ปรินิพานเชื่อพระวง์ก็ที่วงคตแต่สรุปก็คือตายเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นก็ให้รู้ว่าบ่วงก็คือมัจจุนี้คล้องเราไว้แล้วเตรียมกระชากแล้วนั้นก็คอยท่านทั้งหลายก็ไปผู้ไม่ประมาทในมัจจุอบรมอริยมรดโดยมีธรรมะคืออัตามาอัตามาธรรม เป็นผู้ที่มีสติสัมปชัญญะในการที่จะเรีรูก้กายบ้างเวทนาบ้างจิตบ้างธรรมะบ้างให้รู้ว่าเป็นเพียงนามธรรมและรูปธรรมที่เกิดขึ้นจากปัจจัยเมื่อสามารถเรียกเข้าใจในนามธรรมรูปธรรมที่เกิดจากปัจจัยแล้วก็ควรจะน้อมไปในการที่จะเห็นว่ามีแล้วไม่มีชื่อว่ามีเทียงทนอยู่ไม่ได้แล้วก็ ท, าทําให้เดือดร้อนไปนที่ตั้งของทุกข์โดยประการทั้งปวงนี่เป็นเป็นทุกขลักษณะ ไม่มีอำนาจบังคับบัญชาไม่ยืนนั่นนั้นนันอำ น, นาจของใครๆหาสาระแป็นสารไม่ได้ด้วยนี่ก็เป็นอนัตตลักษณะไ้าท่านเห็นแจ้งรู้แจ้งอริยสัจธรรมด้วยการออกด้วยอนิจจังทุกขงังหรือวานัตตาเห็นไตรละในสภาวะธรรมที่ยึดถือว่าเป็นเราของเราแต่แท้จริงก็คือขันห้าเพราะฉะนั้นก็วันนี้หมดเวลาก็จะไว้ตอนวันพรุ่งนี้ขอมโนทนาสาธุการแด่ทุกท่าน สาธุสาธุสาธุ